มมีไฟคนเดียวบนทางกลวินทบาทรอยหนึ่งสี่กิโลยิ้ทำผ้าแดนก็อนรอยหนึ่งทำผวิตรจังหวัดนครทำผ้าแดนจังห ว, วัดสะกลไ ก, ลก่กากมืองสะกลทีส่สามสิบสองสิบสามกิโล ยู่พูเดียวสองพันส0บห้แปดเกาสองพันสิบ8อสองพันสเก้สิบไหสองพันอยแปดเก่านทำพวิตจุยี่สิบสองมือมม่มีไฟอะไรก็ได้เขาบองจับเพราะว่าแล้วหน้าข่ากับว่าเออไม่ใั่ ยาเธอะเลือดทุกทยศเขือนบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วคิดใจเกิดสนดษเจ้าเวทดหลายว่าทองเที่ยวมาในวัดตาสงสารอันหนึ่งไปถุกเลือดประชัยคือจะเห็นพระอริยาเจ้าอยู่นี่นนกกมันสินั่งกลางโกศกลางมุงนิ่มต้นใหม่รับงานำหินด่านเจ้าฟ้องตัวเจ้าร้อง นกุ่งท่องมันท่องโอ้อัน่หยมาอันโคกไม้หักลงเงาเดือนสีไฟแม่ปลานับตาพังเง่วลงคือเทนพระองค์เจ้าใส่สาสเป็นนกนุ่สัญญามันใส่หาปริญาตมันเป็นกามาพระชลรักกุศล มันอาถารมันอ่อนโย น, นอาถารอ่อนโยนเนี่ยคุณเ บ, บญาญอย่างเน้อแบบหนึ่งอาถารโหโลดโผนแบบหนึ่งอาถารน อ, อ, นนอ่อาานโยนโดยความเสื่ออาถารชุ่มเนี่มันอาถารอ่อนโยนมันประกอบด้วยสัตธามันสังเวชตียงวันไหนมันหงุดหงมดนึกจางไหนมันก็หงุดหงิด นอนตะแคงข้างสายข้างขวามันหูวจับมัดทรวงมันอยู่หันยี่ยิบสองมือออกกาหันก่ะเดินเรื่องเฮิงเรื่องเฮงผู้เดียวเลาะแถวผู้ไปนอนท่างคื่นหนึ่งคามหุนท่างสะกลที่มันไปกกาลสินตะ ก, กีนเป็นคนท่างเกียนร้องก็น้ำผู้ พูดไปพักบอนพักข้าผู้คุณนอนคื่นฮะตื่นมืองเศ้ามายันหาหลวงปู่หมันเอาหาหลวงปู่หมันหอดย่ำเทียงไปหมอกกายถวายชีวิตกระเพิ่นฮะเพิ่นขึ้นจะเข้าใจว่าซีพันษาเพื่อกระห่มผ่าออกมารับอ่านเขาเวอกใน อันนั้นมีผิดข้อในหนังสือโลกทิพย์เห็นตัวเออว่ผิดอันนั้นพิษเจตาวาอยู่จังหวัดสกลนั่นชี้พันษาวันโมเมีนดอกล่ออยู่จังหวัดสกลชี้เดือนนึงเขาศพหลวงปู่มันตอนทุดท้ายฉะนั้นเมั่อเขาเล่าถึอวัดละอ่านออกวิเว็กับหลวงปู่มหาบัวนะ่น อันนั้นเราย่อรวบลัดนะปีออกฤเวกบับหลวงปู่มหาบวดสองพันสี่อยเก้าสิบแปดทเก่าเก้าสิบเด้พอแล้วจีวอานการแล้วเนี่ยจีวอานการนั้นเป็นขางแหมของเดือนที่สองเจ้าของไข่ยันเพิ่นนับไก่เรื่นนี้ไปผู้เดียวร้องลำ่างเกา่ า, าร้องลำ่รารโตมาอ่านลาดกระเซินนะ ข้าวนี่แหละข้าไปพักที่ทำพาเดีนข้าวนี่แหละอยู่ในอันโกทิพย์แทบมันว่ <c oughs> รารอย่อได้หนันมันนี่ในแมนหมืนมอน ด, ด้หันรยอย่อได้หันเขามื่กี้มาพลเอาดอกจังไห้เขาเขาเมื่อกี้มะพลเขาพาไหา้ะตัวเขาบมัมมกโปะ ก, กันดาพอเปนไวันอยากไอซโปซ้ำ มันหลอกลัดนาลัดหลังมันก็นมีพญาพ่าเแล้วเหมือนกันข้เหลื่อมสายพระพุทธศาสนามันก็บโมเมน people, ique, ต่ต้ ai, โโแต่คนห่างคนมีมดเด้กยวขอหน่อยภาษาันนว่าคนทุกๆก็มีมาสั่นเทอเพยดทังไดาั่นถึงสีว่าสื่อใจค้ายกินชักเพีื่องแหกก็ควายอาศัยบังเกิแต่หน้าเอาตัวไว้ไวั่นมันจะขึ้นยกบับเกิแต่หน้าโอ้นอโอ้นอยตัวก็ได้งสีว่าังได ปีนั้นะปีไปเยืาาเ่อทำพระดอนนะะอ๋จากหลวงปู่มหาบัวไปไปเยุบ่บ้านพ้นงงามอันนี้บวชในรงในหันรอกบวาหลบลับกันบวชใรงในหันพิศดารเรอกเสือขาวบ้านเขาว่้สั่นเขาออกไปบวเขียตไปสัน่นเจ้าของขอกโมเห็นยังหลอกประามาหน้าโมตาย พอเห็นไพ่ในวัฏจัรสงสารเมื่ออยากมาเกิดมาแกมาเคบ ม, ม, มาตายอีกที่ตั้งกจปฏิบัติเพื่อให้มันน่ายมันเบื่อในวัฏจักรสงสารอันนี้นะออกแก้ไขไปกับใครโย่ไขยังวันเช่าได้ไปัจจุบันพลงงามอยูุ่บานพลงงามยี่สิบเก้ามือยุคเดียวเขาประเทศกระตูไพ่มหาพรานเจ็ดประโยชน์พญวัด สุ็ทวรรษเปิดพ้นงามฝ่ายธรรมยุธม 5, 000, ยยทธมหาพรนเพื่นอายุพัรษาไร้กุโตที่บวชต้องเจ้า้นทํามเกีนีอผมกยัยุก็เล็กหน่อยผมออกมาพากัก น, นี่วันนี้วนผม่าสั่นเพื่นอยู่ในวัดบ้า น, านตัวกัจุก็ถ่อมเพื่อนก็บ่ถือตนถือตัวได้ออกไปร่องอุโสถนำเชื่อวัรอดร่อุโสถบอกฟริสุธิกัน จ้า้องก็นอดไข่แล้วฮะลยม่มมนไข่เน่วไข่เพราะาสั่างมันสามวันชีวันไข่เที่ยนหนึ่งแม่ไข่แม่ไข่เวียนวันข้าววัน้ายังไล่ะในย่ชิบเก้ามือบัดมือเยิบเก้านะวะกลุ่มคาเขาเหตุกานใเหตุหิงละวะฉันเขา พามาทอดบังสกุลเอาของมาบังสกุลมุ่นค่ากับมีย่ยูเด้าเจ้าของกัเลยบอกขาจาว่าเอออาตมากับ น, น้มาจากหลวงปู่หมันใหม่ๆอันอาทีวันทัทนสบายกับบอลลีบูนยี่ดอกเงินข่ำกับผมไม่แน่ถือไปน้าดอกว่ัชระเพราะผมมีหยาดมีโยมะนะแต่ว่าจะไปตามภาษาดอกอันกลุ่มค่ากับวั เสือมันมาหอ่อบ้านเขามาแปลกอยอะเลยนะเสือก็ได้หนาวจัดปีนัน่น น, น, น, น้ำแกงเปนงเเออกก็นเป็นอย่างเขามเขาห่อไส่บาดไส่ขายออกเป็นเป็นอย่างหนาวจัดน้องขายอยู่เดียวไม่เขามาฝอเข า, า, ข า, า, ข า, าว่าที่มาฝอแล้มายาดอกว่าฉันโอ้ขาดขนาดนั่นมันขนาดอายุสามสิบดิอัฐานพไม่ออกนหมืกัน โซเป็นโซตายนะพระพุทธศาสนาะเลือดทุกยศสิบูซ่ามันนสิบูซ้าพระพุทธศานะสนาสม่ยนี้ก็ยังควบเกาอยู่จิตใจยังควบเกาเ อ, อาตายข้างเคลื่อนวิ่งผู้ได้เอาไปเผ้ากาันกวบาทโกว่าที่กาแมงวันมีหรอกว่า่ เบืดอ่บียดว่าสัตว์ยาบันเถาะว่าสัเก็บเงินว่าจะเฮ็ดศพหนีไม่เก็บว่าสัตเอาฟื้นขุนว่าสัตวเอ้าฟื้นเผาว่าสัตวพระพุทธเจ้าตายไปกับว่าได้เห็นว่าเงินพระพุทธเจ้ายูนนํานางวิสาขาถนนทนีดอกว่าสัตว์ยูนนัางโกม่นพักถนนทันีแ่ว่าได้ยินว่าดอกว่าสัตว์ขึ้นนะจ็ดใจบูถอนมาออกคืนยังสั่น อกาผ่านล่าเขาเขามันว่ามันท่วงว่าโอ๊ยแต่พระผู้เป็นเจ้าบ้าเสือกระบอกขวานเขาน่อยวะสั่นบ้านี้แปดเทั้งว่าแต่เขาทั้งคู่วะสั่นชะลอยบ้านี้มันเข็ดมันคมพระผู้เป็นเจ้ามาอยู่นี่มันคมพระผู้เป็นเจ้าบ่ได้มันไปกวนพวกเขาน่อยวะสั่นเพราะว่าเขาบอกตามภาษาเขานะเขาออกวบบมันเค็ดเค็ด้ลยเขาว่าลงท่างมากมันจังเห็นตุ่มนกทาวะสั่นเขาว่าตุ่มนกทาขันจะแก่คือวะสั่น ลงทางว่าวันนี้ว่าเช็ดว่าจะเอาเช็ดหน้าวันนี้ว่าว่าจะเอาเช็ดหน้าให้ดสวนว่าั น, นเป็นโขกเป็นท่มเจ้ า, จาของเลยฮะอบายแก่เระจอกเจ้าของกระเบื้องเสืออยู่แล้วส เ, ส เ, นนเสือปีเสือสองเอ้ยว่าพินัสซันเนาะห่านนู้นไม่มาสันโบราอันทวนวาพันปีได้มันหนาวจัด่เสือมันกระห่าวมาสันเสือเฮาแล้วฝนสีดีว่าสัน มันมันเพีมันสามก็สามดอกาสั่นเอ่อจะมูเจ้าจากล่ำมูเจ้ากยังล่ำมาสั่นมูเจ้าจากเพ่งมูเจ้าก็ยังเพ่งมาสั่นมันก็ขนองเท่ากันทันเทีมันขนอว่าสั่นมันขม่ามันก็บพราเห็นอย่างดอกเราหกทุ่มขมาตีสองตีสามออกไปห่องผอมเป็นเท้าไปหอนกลืนกันไปโยมาโยมาเรื่องเขาเล่าให้เจ้านี้เล่าพระเจ้าสิไปทาพระแดือนมาสั่นบานแจมมือนังไขอยู่ ขมบอเขาเจาฟังมันขันมันไข่บอกไหม่มันก็ไปบัวไว้ให้มันเนี่มันไข่บอกใหม่ไข่ช่เหืออไข่ไข่เว้นวั่นพอใครเจ้าไปทรงเขาเจ้าก็ยังใครไปแล้วในยุหันเออไอวัศรยังเป็นนี่หลวงปู่หมันเนาะออกวิเวกปีนีหลวงปู่หมันดัชช้นดาดพับเธอได้ไอัไปเที่ยวในที่เชิงชีมหาหินข้าวต้มข้นมคอ ในี้เขาเฮ็ดบุญบันไดหล่อแว่ชายในยนี้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญบันไดหล่อแว่ชายก้ขึ้นว่าว่าตัวไปไปวิเวกได้วิบุรณ์วงจัดก็ขึ้นว่าสามภ า, าวาณนาบด้คั่วมว้จำพรราาอยู่นํำปีนี้ใครก็ได้เยอะัง น, นคนออกไรปีน่ะองิเวสองพันสี่รอยเก้าสิบนะ เจ้าของก็เลยต่อบพระเจ้าจว่าอย่างนี้ยังเป็นผู้ต้องหายู่ในย่งเลยวะน้องภาวน่าบ่ิหารเนีนย่ยพ่วงเองวะได้เจปริย์เราทำปริีย์ได้อยู่วะาพราะเดี๋วเราดัอยู่วะทั้งส่วนตัวยังบริหาอย่างละงไปเดยสัทธาเฉยๆเดี๋ยนี้วะหลวงปู่หมันเชนขับออกไปภาวนาวถามบ่าร พ, วพว่วงคนหนึ่งบริหยู่นั่งปีนี้วะอยู่ดีไม่แห้งกันเดือนหาหรืเดือนหกจะกลับหาคนอยู่เดือน เมื่อวันศุนี้มาสังอ ง, งอคอไ์ได้ถือทอดะมานเือกันเห็นไหวแจ้เพิ่นอาจารย์มหาบัวเพราะเพิ่นเป็นพระเก่าแล้วเพิ่นเสียใจยได้แล้วพเพิ่นบวชนานตนัวมันฮวก็มาปฏิบัติ ไ, ไม่ไ้องเพื่นเมื่อเป็นัา่านอาตมา ก, กระต่องสิดไปสักก้อนจะไปหาวิวิสั ก, กอนคนน้อยจะไปส่งมาสัง อ, อไปส่งให้ไปส่งไก่ดอกท่างเ น, นีเพราะอาตมาเข้าไปหาหลวงปู่มัน เรื่องเปียกายนี่ยอัตมามาเซนนี่อัตม า, ม า, นนตมาลงด ก, งกเพาะฉะาสซหลงน้ำตีนพูนี่เราตีนผู้ลักกระเซือยไปใส่บันฑนานกเข า, นาเนี่ยจะนทาพรดนเพาันพหน้าไปพูดเชียวใบไม้ชิดลนพราหนาพุโทโธพอมครับนกปวงห้องผมนกกว่าห้องบูนําตาพังเงาเงา รดใหญ่ ข, ข้อมก็ขาเกาบาดยางผาเปียกมดมันไข่ฮ้มผ่าผ่ากับห้มผ่าเดินทางฮ้มธรรมดาเฮาฮ้มปกไหลเดินทางบรินขานสตัดออกนอีหน่อยเพ่าพอลุ่งพลา้งพ้ า, พายซองบาคือวัาถึงกลางถึงแตงเอียงดอกพ้ายใบยเดียวตัดบริขานออกหลายหลายผาอาบน้ำพื้นเดียวผาเบียงเก่าพื้นเดียว พาชิวอนก็เอาฟืนเดียวถึงงามสักมากก็สักน้ำก็ บ, บอกทิ่หินฝนดินแดงใสน้าหล่อที่หินวันพระวนาไปพระวนาไปนะไข่อันนี้อ้าว ไ, ไข่กับไข่สันผู้ไข่กับไข่ซักว่าสันมันบัล่มกูกับบอมยอมมันหลับว่าสันมันบล่กทีกูกที่ทั้งไข่ทั้งภาวนานนี้ละว่าัน อา้าพุทธโทอพโหเขาฆ่าเก่าบาดยางกั บ, กบนกโป่งห้องโป่งโป่งปงป่งปงโปมึงมันความคิดควมใจไว้แต่บใบไม้ที่นโนโนใช่หรืเล่าใบกิ๊บใบหั่งที่นนโรนใช่หรืล่ากินวิพัฒนัดใจกันปันยางยางไปจากเสมงสงาหหงหนึ่งซองไข่ให้เมื่อสัตว์ออกเปียกวบดผ่าไปอีก โซโม่หนึ่งอีกก๊าบไข่อีกยังไว้ยังไงซละ่ะไปเลยแต่เว้นนี่รีรี ร, ร, รับเรือเขาหน่ยไปพอ่อหลวงปูฝันกับทหารสองคนกับพระสี่องค์หลวงปูหมันเลยถามห่วยว่าสัตปีนี้เขาพ่อกันสองเทือนีนว่าสัต ออกพรช้าเลยอเข้าไปหนีผาซอยหลวงปูมันถ้ากันหนีจากเพิินมาเมิดมันไฝเล้อยู่ลำเพิน ส, สมมุิมาอังสี่ว่าสัโอ้ยคูบ่าต้องคั่มผวนึงคูบาวั่นผันึง่งคนหน่อยวะขหน่อยออกมากก็เพลินแกรมาหานอะขหน่อยขายรคนหน่อยหรือปา๋าเพลินมาญาติเพลินลข้านวนะสัตวแต่โตจะไปใช้เอื่องนี้วาสัตน่อยว่าตั้งใจว่าที่ไปทาพระเดนกันนะพ่อเมีผู้บาจารไปแล้วคนน่อยก็จะไปทํพระเวทคนละ ว่าสัตว์ห้อยว่าได้ว่าได้ว่าได้ว่ า, วาวสัตวออกกระเพิ่ น, นปดบ้าออกนั่งคุกเขากับชีดินทนะั้งนกมือของกระเพิ่นิ่านก็นยืนถามอยู่ตกก็ น, นกมืออยู่ของก็ว่างไว้นี่สัตวว่าได้ว่าได้ให้ฟังความเห้าเนี่ว่าสัตวไปทหารสองของคนสมัยนั้นมีโรงเรียนพ่นนี่ ทั่วัดสกุลไปเอาบาดเพื่อนไปก็ไปวัดถาดหน้าเว่งไปทั้งซื้อด้วยจ ะ, จะไปทั้งโกงย่าไปเด้อโตเข้าบอกใครฟังนยะไปกินยานล้วรับจิเอกอ่พ่อนหายแล้วจะไปไปไปอยู่วัดเห้าหันมุ่ยไปอยู่ดอกออยนวัดห่างๆด้วยเข้าที่ไปก็พระดอกซี่องค์ไปทำพระรนเดนนี่ละ่ะ พ่อบอกของสันเลยนะมันคำไปวริษัทตัวกับมันข้นขีดทุกทหารกับมันข้นขีดทุกไฟสายกับบอมีเออเที่ยนกับบอมีจ็คเปลี่ยนทหารสมเงินก็บบมี่ไฟสายจ็คกระบอกเออเว้นลองดีดีผิดอ่ะทหารก็บลยก็กาเพิ่นโดยย่อแล้ะก็เพิ่นกับสังมืออื่นนาสิบเอกของพ่อมาเสียดยาเขาเน่ยหายแล้วจังไปยุคฮาระบริษั บินถบาทสันยอหัะ่ะพอได้สันย่อ ด, ดอกมาันแล้วพอไปมาันไปก็บม่ได้ไ่ได้กำลังหนัมันไขน่เงสิไปผพ้เดียวไรจะไปเบิงไปแง่ผู้ถาวาตายคือโมโหก็โมโ ห, ว, มหว่มีวานตายชื่เนเลย่าสันเพิามันโมโหสันนั่นเนี่ยยกูฝันไดยกมือใช้หัวแหละค่ะไห้ฟังความเพลินไปเจ้าของน้ำกลางเขากพ็พายอาบาดาเพื่อนึงแบบอโกด ยาในยินที่เสียงบาทถิ่นชุดชัดชุดชัดชุดชุดัดคระบาดเนี่ยม่เหนห้องคนทางทางไปพออดรอดเนี่เขาพาไปตั้งรัฐตำสดุลก่อนนั่นถ้าใครใครก็ข ah. ึ้กน เ, เระบาดเนี่ยคามาก็นอีกเช่นนและสามถุมก็เลยหอดวัดฐานเาเองกอกทหารทหารตารวจ ทรงเขาวัดนี่แหละวัดแลพวกเขาหน่อยกันจไปแขมกพวกขน่อยแล้วกุตีมาลังในเหลือักออกเขาหน่อยแล้วน้ามก็มีย่หันห่หันวดอกขึ้นไปออปู่เขาปัดตาดมันยิ้ขอวัดได้คำแล้วแล้วกันใจยิบเบใหม่ใบหนึ่งออกถิ่มจากวัดขึ้นไปเทิงน้ามก็ไ่ได้อาบมันคำแล้วมันคำหมดแล้ว อ้ายามันเถะสกปรกนี่สปอนจนนอนภาวาน่าระบาดมาแนนามันเมื่อยหลายนอนภาวนาตื่นมือสาวมาไปบินถ้าบาทโรงเรียนพ่นเขาเอิดลุงเรียนพ่นไหมผมโมมันมมันทหารตำรวจโรงเรียนพ่นสมัยนั้นสิบเอเข้า้าย่หดสิเอะข้าวผ้าคนมันหมูมดนข้าวผ้าคนมันหมูมดนบ้านหมูมนอุดอด คุณพีพ่ทายคนละคุณคู่พิมคุณคูพิมบุม๊ดอุดมเข้าใจว่าคูพิมอุ๊ดอุดมตำรวจสดุดผุนละสมัยนั้นคูพิมเป็นทหารเราเป็นตำรวจใบบินท่าบาทกลับคืนมาชิเบะกำพรนเอาอย่ามาหายนโยมฝากยาโ ย, ยมน้าโยมมาชิเเม็ดเป็นยา ที น, นเคนรื่องน้ำจ่านสมัยก่อน่ะมาจากอเมริกาแล้วมาสันเราบก็ยัง บ, ง บ, งบงมยอมมาเสีดหยาเลย ว, ว่าถ้ามันมาหายยังสิสทธิ์ด้วยท่านมาสันหย่าน่ะเม็ดในระวางซีเมตรทาเม็ดนี่แหละยาสิบเอ็ดเม็ดเลยหายขาดท่านผ้ากระหันเชดมือเลยล่าแล้วล่าย้อมถึงย้อมใบ อาตมาศิลาไปเอกกอรเนี๋ยอาตมาเป็นผู้ต้องหาอยู่ภาวานาพระทันได้่วมหลวงปู่หมันว่าพระบัได้ข่วมภาวา น, า, นะ า, น, นา่มหกจามัสสากับขึืนมากานี่เนี่ยเป็นผู้ต้องหาจได้เรียวนี่นะท่านโอ้ยมัท่นตัวดีแล้วคนหนี้ะ่น อ้าวันปัวให้เป็นรับจ้างฟอให้ฟอวัดให้มันกระโปงด็อกเงี้ยมั่ยวะสันมันปัวแล้วมันรักษาดีแล้วกับอัตมาปัญหาพระวนามันแทงสีได้บุ่นตัวว่าววะันสร้างว่าถ้าเจ้าว่าสันแล้วก็หัวอยู่ดอกระเบ้าเรนนี่สิเออถ้าว่าท่านก็จําเป็นกลับไปเสแล้วพอหน่อยว่าสันพอเมื่อผู้จัดฝันเพิ่งก็ยังให้ไปว่าสันแต่ถ้าเจ้าส้นสีพวให้ไปวะสันไปบานนี้กัน รัฐจะพุ่นระบาดเองรัฐสถาดพระนมจากกันเทอะก็สนออกจากา์ขามหวยกระพุ่มคำปับ๊บพรดีนางเปิดเดียวภาวานาพุทธอกจากผู้บาดยังเลยบถ่ถิมเลยเก่าข้าใส่ค้าคองจักมืดพ่ะสันหอ น, น้ำมืดเหมือพ่ะสันหอ น, น้ำสองเล็บปูกมาจากคน่ะฉันฉันมาถึง่มพืชไปนอนมันโปนมม่น้ำมล พระุฏิจจานุนวัดปลาพื้นหนึ่งอกาพันลาดแสเภอน้าแก่พระนณพุทธโฆษพื่เดี่ยวฮะจนสามถุมยังเดินทางเลน้าไม่ได้สันน้าไม่ได้อาบไม่ได้าลตัดนดหน่อยพี่ก็จกคนทางไปวางวันต้นเห็นวางมูนี่มันเป็นหนมันเป็นธงเน่ ที่แบบหนาวจัดกำลังหนาวจัดพอเห็นห่านเฟืองเขาขึ้นนอห่านเฟืองเนี่ยังได้ยาพ่อสันบ้างห่านเฟืองมัมีเหล่าบ่กันห้ามีเหล่าห่านตรวจมาจับเขาที่บัวแล้าใสเหล่าพ่อนถืสว่าใสเหล่าจังไหนของมันหวานเมื่องเขาอยู่นี่เขาเดินทางมาพ่อสันวันนี้เสียงได้ยินกินมันนานี่พ่อสนเขาเห็นกินมันพ่อสันนอนกับวันไดเอาผ่าว่นไดปุ๊กนี่เนี่ยก็ะป๊กต้นนี่เพราะวันได้่างตีนั่นเอ ตื่นมือาวมาสีหสีตาเด็กเขาไปบินทบาดบันดูบันดูมันอยู่ฝากถนนทางนี้บินทบาดบันดูสันบินทบาดแล้วไปถามขอันบินทบาดเขาก็ใส้อาหารแนสองสามอันเข่าร้ายอยู่อาหารบมมาร้าใดลวผอิ่มปัญใดดอกอาหารก็บ่น่กันจะเขาซื้อก็สันได้ถามกับฉ อัตมาพักโลงถ้ำนอัตมากระโดนนี่ยคนอัตมาขึ้นไปหาเพิินมันจะผิดว่านองเพราะฉะันถามอย่างงงมันจะผิดดอกขอน้อยเพนลึงแขเพราะนี่แขกไปไหวทัดพระน้องเพนโบเอาเื่องดอกพาฉนั้นเพราะเาคูก็ม่ได้ยืมสาสตอยู่หมอนเพนมาเด้อาะนั้ามขอน้อยกระับมาหายแล้วเดี๋ยวเนี้เพินก็พิมสันจังหันเพราะฉนั้นาคูก็สันอยู่ลมพี่เพราฉะนั้ะสันจางหันแล้วเพราทัดพระน้องาไปไหวทัดพระน แล้วไปน้ําเขาไปไวายท่าพน้อยโยมือหนึ่งพื้นหนึ่งออกจากหันไปเมืองเวดงบกเอกไปนอนโยคลื่นหนึ่งมีวังเวยวดป่าออกจากหันมาสิตักมาทำผาเวดขอเก่าเห่หล่ะบันทำผาเวดบัจะเข่าไปที่แรกครัหลวงปู่ปู่หมัน มามาคํำวันน้องหาเอมาคํามาพ่อพ่อนอนวัดซ่องออกจากเมืองเวมามานอนวัดซ่องนอนผู้เดียวบนวัดปลาบนวัดทางห่างเขาบอกว่าผีเค็ดปังญ์มาสั่นเขาจะไปทหารเขาก็ไปบวงสรวงหันหละบมาสั่นมันเป็นวัดเก่าสั่นชี้มังห่างมาสั่นชี้กระโมยไรจะได้ขี้ยาว่าสั่นขี้ยาลไรขี้ยาต่อเขาก็มีเราไม่จะมีโกนตอนนั้นมาสั่น เงินข้ามยี่างกับว่ามีเชิงบาดเขาเขามารักผานเขามาจีมาปนเอาผ่านเพื่อนใครขอได้อยู่กับขาหลวงกระไดเลยเะสียชามพื้นไหนขอช่องพืนเสียพื้นเดียวย้ายินดีเลยพา ว, วีนาว่าขัานพุ่มมีแต่แหยิบไปไม่นุงขันพ่ยิบเป็นอวัตทุกด์พา ว, วีน่มีโยงสัน่นเราล้วมองเห็นอยู่แลว้วว่าจะเอาไปไมแหงเอาไปไมเปลี่ยนเพได้พว ก, กเอาไว้จะวะเนี่ยมันเป็นจิตต่อัากตายจังซ่ามันได้ อีนบอกแล้วว่าเป็นโซตายอย่งนี้น้อนี่วันซ่องคือหนึ่งมาบินทบาทในวันซ่องออกแก้วันซ่องมาน้อนน้องหางบัดสันบินทบาทแวก็มาน้อนน้องหางเดือวัดมือมาหอดน้องหางพอพอพบายสองผักคือน้องหางออกแกวน้องหางรับใช้บาทหน้าโศกบาทบาหน้าโศกอำเภอหน้าแก่บาน เกี่ยวมากมันเป็นบ่วงเลยครับท่ีนเป็นบ่วงนะไปีเป็นบ่วงมากสิบทานนี่ท่าพนมไปีเป็นบ่วงมากสินี่พงเมยเป็นบ่วงมากสิมาจอดทางัเสเพิ่นสิรัตใสีมทเวททำพเวทยพ่อไปวัดบ้านน้าโศกครับคันวา้ยทำพเวทเนี่ยนี่พอมิงไปอยู่แล้ว ไม่ไขันพูดี่เอาเด็ดเด็ดเดียวมันต้องอยู่ค้เดียวสั่งก็บไฟสองคนกับไปสวนคนอีกแล้วสั่งคนไปก่อนอนะบ้าขอนอยอย่าพาหาที่พาแันหาทำงงมันน่าสุกไปมื่อนี่เหละวิวไปดอกเ น, นี่ยพอมิงอยู่แหละไปกวนพ่นเีียงมันถือวิวๆกูจะพร้อมก่รนวางอัดวังท่อมพ่นกับวางอัดวังท่ามเคยกันนะสั่งแต่ไปเช่นงินทำ ทำเพาเวนก้อนจะขาไปหาหลวงปู่มาเขาก็พาไปหาถา้ำจากบ้านเข้าไปก่นทาง10กิโลไปไปฝากทำพระในจันทร์สนพระในจันทร์สนอยู่ถทำหันได้ออกไปฝากอีกพระในจันทร์สนในเย็นข้าวกับมาหาถา้ำซอยกันอีก หาวัดมือว่าได้ว่าได้คำพัดบาทนี้นามนก็วม่ได้อาบพระ น, นี่ห่ยสาจารย์ให้ที่ไหนวะสันมันคำแล้วญาติโยมก็จะคำกับบ้านเขนานอจโีโสตายนอ น, นีอ่นี่ดอกวะสันญาติโยมเมื่อท้า ว, วสันโนยมก็จีได้สับโทษหลวเมื่อละวะัน ท่านอาจารย์ก็ให้กับบริเวณของท่านอาจารย์ซากไวนเนี่ยเออขันนอวิญงสันห้ากัสิไปละไวันเพื่อนอาจารย์สนเพ่นขุนข่วงเพือนขวงนะคะถ่อมรอยอยู่หรือ่าใดอันวันตัวสีนอ่มันไกลจากเพื่นอาจารย์สนปานีปันผุนบัรเลาคนละตั้งสามกิโลคนละแล้วเพื่อนนัดวาเมื่อเศ้านันไปห่วมกันบานนี่ได้ผมกสิมาบินทบานี่จะไปห่วกันหันกัน เขาสน้ามาทรงใจบาทเขาสีน้ามาทรงใจบานเขาสน้ามาบ้านี่แหละบ้ามันให้ไปห่วมกับหันนะสิตอนนี้ชิดพักมี่รอกท่านอาจารย์ิอาจารย์กับเจ้าวายสิโยมกับกับเจ้าสิเขาจะไต่ทนหัวกับมื่อบานครับเจ้าของกน้าก็ไ่ได้สันแล้วเหมือนน้าก็ไม่ได้อาบอีกแล้วพบเอามาดินบนยูหันเปคอยๆอย่างที่คอยๆอย่างที่ ก็นอนปีนหัวไป <c oughs> ปีนหัวไปทางตะเวนออกปีนจีนไปทาง ต, เต ะ, ะเวนต้กดกับวัดกะกลางเขาประทุนประเทศน่ะนอนคูลูยุปูผาแล้วมึสัะแบบพาทข้ามา่ะที่กับปูทับนีคูรูทับนีสัสแบบนอนพาวาน่าแล้วบาทเนี่ยเอาแขนสอกคําไว้อย่างสิน้อนแต่แค่คำกลัวเลยแขนสอกคำไว้พวกคำไว้จะสิ่งบุ น, นบาดตมัดจิตก็คงใหม่ไว โคกเอาขู่ไปไหนิว่าแต่มักิง่งลงเออนอนได้แค่ข้างขวาเอาฟาบาทเรือ่อมฟาบาทคือพระพุธทธเจ้านอนคือพระพุธทธลุบนอนเมื่ขึ้นมาเหมือเส้าตาเหลี่ยมพอหล่อยอยู่บ่รับเลยกำหนดลมหายใจเขาออกต้องแป้งต้องแป้งเง่อนจะร่วมหรือบ่ร่วมท่องเห็นล่มอยู่บ่ปรากฏเห็นอีนยังเทวดาพี่สร้างข้างแดงยังบ่ปรากฏ เห็นเจ้าสั่นจิตปองแปงปองแปงลมออกมาปรากฏทรัมนี่ร่มเข่ามาปรากฏทํามป์นี่กก็เกี้ยกตาใส่ฝรั่งยิเสียงกอบเก็บไอจามก็ะโมีเสียงกรอบเกบก็ะโมี่หอนูุเสาเล็บตาไส่หมอกกลอกตึ้นขึ้นมากันไปรัดบินธบะน้ำพนัการสนขันเมื่อมันหาว่าได้นั่นขอหน่อย สิล้องทำนี่สิร้องผู้น่วยนี่ไปยื้อทำพระแดนดอกบาทนี่เพราะทำพระดนหลวงปู่เปนนกเพื่อนอาจารฝันมาอยู่เพ่ขึ้นชี้ออกนีแหลวปันนี่สิไปหอบเพื่อนพนักบัตรร้องผู้มาผู้เดียว <c oughs> ล้องผู้มาผู้เดียวก็มาคามาค า, า, าบัตหน้าหัวบนอนผู้เดียวอีตื้นมู้เศร้าครเมื่อนมอสือพวันาพุทโธพ่อข้าเก่าบาาัดญัตง บมื่อในทีมนี้คืออาถือว่าตัวใคพูดเดียวมีมวนเพิ่งพุดค้าขัวกับโทษข้าสายพุดค้าสายกับโทษค้าขัวเยอะชำนันปบิดมือมันเพิ่นคืออย่างไหนวันเนาะเดมือเมื่อเป็นไหนมันกับมีอารมณ์ของกิดของใจยุ่งกับก็พมวายยุ่